วันนี้เป็นวันพระหาท ส, สัยดีสที่สองเมษายนพุทธศักราช2569เป็นวันพระเป็นวันทรหรน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่พระพุทธเจ้าได้ส่งมอบไว้ให้กระทาเพื่อประโยชน์สุข ของตนและประโยชน์สุขของผู้นหน้าที่ที่พระเจ้าทรงมากให้ชาพุทนได้ปฏิบัติได้กระทากันนี้มีอยู่4ข้อด้วยกันตามลำดับข้อที่หนึ่งคือการศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาวิธีการดับความทุกข์ต่างๆ ที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปเมื่อได้ศึกษาได้รู้วิธีของการดับความทุกข์แล้วว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างก็ไปสู่ข้อที่สองคือการปฏิบัติการทำหน้าที่การกระทำตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ในการจะดับความทุกข์ได้ พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าจะต้องมีการปฏิบัติสามข้อด้วยกันคือหนึ่งละการกระทำบาปทั้งปวงสองสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมสามชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือการปฏิบัติเพื่อกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจ ให้ปฏิบัติอย่างแข็งขันที่เรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุปฏิปันโนปูชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนเมื่อปฏิบัติอย่างแข็งขันแล้วก็เข้าสู่ขั้นที่สข้อที่สคือการบรรลุธรรมขั้นต่างๆธรรมที่ทรงให้บรรโนก็มีอยู่สี่ สี่คู่หนึ่งคือก็คือมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งนี่คือผลที่จะได้เกิดจากการปฏิบัติตามที่พระเจ้าได้ทรงสั่งสอนจะบรรลุมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งมรรคสี่ มาเป็นคู่คู่มรรคกับผลไม่มาเป็นคู่คู่คู่แรกเรียกว่าโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลคู่ที่สองเรียกว่าสกิดาคามีมรรคสกิดาคามีผลคู่ที่สามเรียกว่าอนาคามีมรรคอนาคามีผลคู่ที่สี่เรียกว่าอรหัตมรรคอรหัตผลเมื่อได้ ผู้ที่สี่คือลตัตผลแล้วก็จะได้นิพพานตามลำดับต่อไปนิพพานก็คือการสิ้นสุดแห่งความทุกข์การยุติการเวียนว่ายตายเกิดสำหรับผู้ที่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้บรปปาา ร, บรลุล拉ตผลแล้วก็จะได้สิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดดับความทุกข์ต่างๆที่มีในใจให้หมดสิ้นไปได้ เมื่อได้บรรลุมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งแล้วก็ทำหน้าที่ข้อที่สี่คือเผยแผ่ธรรมที่ได้บรรลุที่ได้รู้ได้เข้าถึงให้แก่ผู้ที่มีความศรัทธามีความเมื่อมใสที่อยากจะเรียนรู้ที่อยากจะปฏิบัติเพื่อจะได้หลุดพ้นจากความทุกขา น, นี้คือหน้าที่ของชาวพุทธ ทุกๆคนที่พระเจ้าได้ส่งมอบให้กับชาวพุทธถ้าเราเป็นชาวพุทธเราต้องรู้จักหน้าที่ของพวกเราถ้ายังไม่รู้จักหน้าที่ของพวกเราก็แสดงว่ายัางไม่ได้เป็นชาวพุทธที่แท้จริงอาจจะเป็นพุทธในทะเบียนบ้านเวลาไปทำบัตรประชาชนเ ข, า, เขาจะใส่เข้าไปในบัตรประชาชนว่า เป็นพุทธรับถึงศาสนาพุทธจะอาจจะไม่รู้ว่าการเป็นพุทธที่แท้จริงนี่ต้องเป็นอย่างไรต้องทำอย่างไรถึงจะเป็นพุทธศาสนิกชนที่แท้จริงพุทธศาสนิกชนที่แท้จริงต้องรู้จักหน้าที่ของชาวพุทธต้องรู้จักหน้าที่สี่ข้อนี้ข้อที่หนึ่งศึกษาพระธรรมคำสอน ข้อที่สองนำเอาพระธรรมคาสอนที่ได้ศึกษาไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจนบรรลุถึงขั้นที่ข้อที่สคือบรรลุผลที่เกิดจากการปฏิบัติ้วหลังจากนั้นเมื่อได้บรรลุผลได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วไม่มีกิจอะไรต้องทำอีกแล้วก็ทำข้อที่สก็คือเผยแผ่ธรรมะให้แก่ผู้ที่มีศรัทธา มีความปรารถนาที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วนํำมาไปปฏิบัติเพื่อที่จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ตามลาดับต่อไป<ม>นี่แหละคือวิธีที่พรุทธเจ้าได้ส่งมําเพญมาเป็นตัวอย่างอ<ม>ตอนเริ่มต้นพระพุทธเจ้าก็ทรงศึกษาออกบวตรก่อน สละราชสมบัติจากการเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะสู่การเป็นสมณะโคดมเป็นนักบวชแล้วก็ไปศึกษากับครูบาอาจารย์ต่างๆ <c oughs> เพื่อเรียนรู้วิธีดับความทุกข์ว่าดับความทุกข์ได้อย่างไรก็าสามารถเรียนรู้และปฏิบัติจากครูบาอาจารย์ได้ถึงระดับระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ถึงขั้นสูงสุดคือสามารถลาการกระทาบาปทั้งปวนได้รักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้แล้วก็ทำความดีทำความดีต่างๆแล้วก็สักพอกจิตใจด้วยการบำเพ็ญสมถะภาวนาคือการทำใจให้สงบ ให้เข้าสู่ฌานขั้นต่างๆความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจก็จะสงบระ ง, งับไปชัว่วคราวเวลาที่ใจเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ฌานต่างๆแต่เป็นความสงบระ ง, งับจากความทุกข์ในขณะที่อยู่ในฌานเท่านั้นพอหลังจากออกจากสมาธิมา พอจิตได้ละได้มาสัมผัสรับรู้กับกรูปเสียงกลิ่นรสผดพภพชนิดต่างๆแล้วก็มีความคิดตรง ต, ต่างๆก็เกิดขึ้นมาในใจความทุกข์ที่ถูกระ ง, งับไปด้วยการเข้าไปในสมาธิก็ฟืน้นคืนขึ้นมาอีกอมไม่มีใครรู้วิธีที่จะทำให้ความทุกข์ที่เกิดในขณะที่ไม่ได้อยู่ในสมาธินี้ ให้มันดับไปได้อย่างไรพระพุทธเจ้าก็พยายามศึกษากับครูบาอาจารย์หลายๆรูปด้วยกันแต่ท่านก็สอนได้เพียงแต่วิธีของดับความทุกข์ด้วยสมาธิดับแบบชั่วคราวเมื่อไม่สามารถเมื่อ ไ, ไ, ไ, ไม่มีใครสามารถสอนพระองค์ให้ดับความทุกข์แบบถาวรแบบที่ไม่ต้องเข้าสมาธิได้นั้น ท่องก็เลยต้องส่งทดลองผิดทดลองถูกอยู่ถึงขั้นกับอดภัจญยาหารสี่สิบเก้าวันด้วยกันเพราะคิดว่าเมื่อทําให้นั่งกายเกิดความทุกข์ทรมานได้แล้วถ้าสามารถมีความอดทนอยู่กับมันได้ความทุกข์ก็จะหายไปแต่ความทุกข์มันก็ไม่ได้หายไปจากการอดภัจญยาหาร เพราะว่าความทุกข์นี้มันอยู่ภายในใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายถ้าอดต่อไปก็รู้ว่าร่างกายก็ต้องตายตายแต่ความทุกข์ก็ยังมีอยู่ในใจความทุกข์ที่เกี่ยวกับความแก่ความทุกข์ที่เกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วยความทุกข์ที่เกิดจากความตายความทุกข์ที่เกิดจากการพัดท่าจากกันนี้มันก็ยังมีอยู่ในใจอยู่ อย่างนี้อดข้าวมาถึงสี่เก้าวันแล้วก็ยังมีความทุกข์อยู่เวลาคิดถึงความแก่คิดถึงความเจ็บคิดถึงความตายพระองก็เลยทรงรู้ว่าไม่ใช่เป็นทางสู่การดับความทุกข์ก็เลยทรงย้อนกลับมาดูพิจารณาการภาวนาว่าเวลาภาวนาจิตใจสงบนิ่ง ความทุกข์ต่างๆก็าหายไปเวลาออกจากสมาธิมาพอเริ่มมีความคิดปรุงแต่งก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาก็ทรงเปรียบเทียบดูก็ทรงเห็นว่าเวลาที่อยู่ในสมาธินี้ใจไม่ได้คิดปรุงแต่งไปตามความอยากต่างๆไม่ได้คิดไปตามความอยากเสร็จเลืเสียงกินแล้ว มันจะคิดตรุงแต่งไปการอยากร่ำอยากรวยอยากมีอยากเป็นอยากอยู่ไปนานๆอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นต้นแต่พอจากสมาธิมาพอไปรับรู้เรื่องรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็เกิดความอยากขึ้นมาทันทีอยากเสพรูปเสียงก ล, ลิ่นรสปวดสะพ้เราเกิดความอยากเสพใจก็เกิดความดิ้นขึ้นมา เกิดการดิ้นเกิดการอาการกระสับกระส่ายกระวนกระวายยินดียินร้ายขึ้นมาก็เลยเห็นว่าเหตุที่ทำให้ใจทุกข์นี้ก็คือความคิดไปในทางความอยากต่างๆนี่อยากได้นู่นอยากมีนี่อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่พอเกิดความอยากแล้วใจที่เคยสงบเฉยๆนี่อยู่อยู่นิ่งๆเฉยๆไม่ได้นะ จะต้องไปทำตามความอยากถึงยามจะสามารถระงับความดิน้นรนทุรนทุรายได้แล้วก็อยากไปเท่าไหร่สิ่งที่ได้มาก็ไม่เคยให้ความอิ่มความพอกับใจพอได้แล้วเดี๋ยวก็เกิดความอยากใหม่ขึ้นมาอีกพราองก็จะทรงเห็นว่าตัวที่มาทำให้ใจทุกนี้ก็คือความอยากที่มีในใจนี้เอง แล้วก็เหตุที่ทําให้เกิดความอยากขึ้นมาก็คือไม่รู้ว่าสิ่งที่อยากได้นี้ล้วนเป็นเป็นทุกข์ทั้งนั้นไม่ใช่เป็นความสุข<ม>ถึงแม้จะให้ความสุขก็เป็นให้ความสุขแบบชั่วคราวเวลาอยากได้อะไรพอได้สิ่งที่อยากได้ก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาม แต่หลังจากนั้นไม่นานความสุขที่ได้จากสิ่งนั้นก็หายไปแล้วก็ทําให้รู้สึกอ้างวาง้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายเหมือนกับไม่มีความสุขไม่มีความสุขอีกแล้วก็ต้องเกิดความอยากหาความสุขใหม่โดยที่ต่อให้หาอะไรก็ตามจากสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นลาบยศสารเสริญไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงอกลิ่นรสโทฏฐพชนิดต่างๆ อยากได้เท่าไหร่เวลาได้มาก็เกิดความสุขเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวไม่นานความสุขนั้นก็จางหายไปทําให้รู้สึกว่าวเวยอ้างว่ า, เววางเปล่าเปลียวต้องหาสิ่งใหม่ๆ ม, มาคอยเสพอยู่เรื่อยๆมาคอยเติมอยู่เรื่อยๆแล้วถ้าเกิดไม่สามารถหาสิ่งต่างๆตามที่อยากจะหาได้เพราะร่างกายวันหนึ่งก็ต้องเกิด ความแก่ขึ้นมาจะต้องเกิดความเจ็บไข้ได้ปวดขึ้นมาก็เลยทําให้ยิ่งเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาใหญ่แต่ดราอยากได้อะไรแล้วไม่สามารถทําตามความอยากได้ก็องค์ก็ทรงพิจารณาเห็นว่าสิ่งต่างๆที่ความอยากต้องการนี้เป็นทุกข์ทั้งนั้นทุกข์เพราะว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวให้ความสุขได้แบบชั่วคราว แล้วไม่ช้าก็เล้วก็หมดไปหรือจากไปพอมันหมดไปจากไปก็ต้องทําให้รู้สึกข้าสร้อยหงอย่างาว้าเหวขึ้นมาก็ต้องคอยหามาเติมนเรื่อยแต่เครื่องมือที่ต้องใช้เติมก็คือร่างกายมันก็เป็นของไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็ต้องแก่ลงไปเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ตายไปในที่สุด การที่จะใช้น่างกายเป็นเครื่องมือก็ไม่สามารถทำได้ตลอดเวลาเพราะจึงทรงพิจารณาทุกอย่างว่าเป็นทุกข์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเครื่องมือก็คือร่างกายก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและโลกธรรมทั้งปวงเช่นลาบยศฉลเสริญสุขก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ถ้าไปหาสิ่งเหล่านี้มาเสกแล้วก็จะต้องทุกข์กับมันอยู่เรื่อยๆ เ, เ, เพราะว่ามันจะไม่ให้ความสุขได้อย่างสาวยอย่งยืนมันไม่สามารถทำให้ใจอิ่มใจพอได้แต่กลับทำให้ใจหิวมากขึ้นไปเกิดความอยากเพิ่มขึ้นมาอยู่เรื่อยๆแลวเวลาเกิดความอยากแล้วไม่ได้สิ่งที่อยากได้ก็จะเกิดความทุกข์รมานใจขึ้นมาเพราะงั้นเลยส่ง ใช้ปัญญานี้สอนใจว่าอย่าไปอยากได้อะไรอย่าไปอยากหอาความสุขจากอะไรทั้งหลายทั้งปวงที่มีในโลกนี้มันล้วนเป็นความทุกข์เพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับให้มันเที่ยงให้มันให้ความสุขกับเราแบบยั่งยืนถาวรได้พอเห็นด้วยปัญญาก็สามารถระงับความอยากต่างๆที่มีในใจได้ พอความอยากที่สร้างความทุกข์สร้างความตะวันกะวายกะสับกะสายความเศร้าสร้ยหงอยเหง า, ว, าว่าเวีความทุกข์ในรูปแบบต่างๆก็จะหายไปพอระงับความอยากได้ทุกครั้งที่มันผล่ขึ้นมาด้วยการสอนใจให้เห็นว่าสิ่งที่อยากนั้นล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นความทุกข์ที่เคยเกิดความทุกข์ที่เกิดจากความอยากนั้นก็จะหายไป เหมกับตอนที่เข้าไปในสมาธิแต่ดีตรงที่ว่าไม่ต้องเข้าไปในสมาธิยังแต่รู้เคล็ดลับของวิธีการทําให้ความทุกข์หายไปคือหยุดความอยากหยุดความอยากด้วยการเห็นด้วยปัญญาว่าสิ่งที่อยากนั้นเป็นเป็นไตรลักษณ์เป็นอ น, นิจจังทุกขังอนันตตาพอเรารู้ว่าสิ่งที่เราอยากได้เป็นจะทําให้เราทุกข์เราก็จะไม่อยากได้ทันทีไม่กล้าอยาก ถ้าเรารู้ว่าเครื่องดื่มที่เราดื่มทุกวันนี้มีสารก่อมะเร็งขึ้นมาจะต้องทําให้เราเป็นโรคมะเรง็งพอเรารู้ปั๊บนี้ต่อไปเราเคยกินเคยดื่มทุกวันนี้พอรู้ปั๊บนี้ไม่ไม่กล้าดื่มแนะเพราะไม่อยากจะเป็นโรคมะเร็งกันเั็นดพอรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดว่าให้ความสุขกับเรานี้มันไม่ได้ให้ความสุขที่แท้จริง<ส>มันจะให้ความทุกข์กับเราในขั้นต่อไป ความสุขอาจจะได้ในในเบื้องต้นแต่เป็นความสุขชั่วประเดียวประเดาพอมันจางหายไปหมดไปหรือจากกไปมันก็ทำให้เราเศร้าโศกเสียใจ<ม><ม>พระพุทธเจ้าก็เลยทรงตัดส้อมวิธีดับความทุกข์<ม>เห็นอริยสัจสี่เห็นว่าความทุกข์ของใจนี้เกิดจากความอยากทั้งสามประการตามาตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหา ความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดผลาความอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นเป็นอยากอยู่ไปนานๆเพืจะได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสไปเรื่อยๆแต่ร่างกายก็เป็นของชั่วคราวเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพอแก่เจ็บตายก็จะเกิดก็จะไม่สามารถใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆได้ก็เกิดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายกันขึ้นมา ความอยากเหล่านี้ก็เลยเป็นตัวผลิตความทุกข์ให้กับใจอย่างต่อเนื่องพอเห็นด้วยปัญญาแล้วว่าถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องหยุดความอยากเหล่านี้เสียถ้าหยุดความอยากเหล่านี้ได้ก็ต้องมีกำลังใจที่ไม่มีสมาธินี้จะไม่มีกำลังที่จะหยุดความอยากได้ถึงแม้จะเห็นด้วยปัญญาว่าสิ่งต่างๆที่อยากนั่นเป็นทุกข์ก็ยังอดที่จะอยากไม่ได้ แต่ถ้ามีสมาธิมีกําลังที่จะหยุดความอยากที่จะหยุดใจได้ก็จะสามารถหยุดความอยากได้เวลาเกิดความอยากขึ้นมาแล้วพิจารณาด้วยความด้วยปัญญาว่าความอยากจะนําไปสู่ความทุกข์ mm. ก็หยุดความอยากได้ทันทีถ้ารู้ว่าเครื่องดื่มนี้เดื่มไปแล้วจะต้องทําให้เกิดโรคมะเร็งขึ้นมานี้ mm. ก็จะไม่กล้าเดื่มอีกต่อไปอันนี้คือ การตัดสรุปการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้าเพราะเป็นผู้ที่ตัดสรุปธรรมได้ด้วยพระองค์เองคือรู้ต้นเหตุของความทุกข์ว่าเกิดจากการหาความอยากและรู้วิธีดับความทุกข์คือคือสติปัญญาและสมาธิว่าเป็นเครื่องมือที่เามาใช้ในการดับดับความทุกข์ด้วยการละความอยากต่างๆได้ พระ อ, องค์ก็เลยทรงหลุดพ้นจากความทุกข์มแล้วมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาแต่เป็นพระอาหารหันต์ัมมาสัมพุทธเจ้าพระอาหารหันก็คือเป็นผู้ที่เส้นกิเลสเป็นพระพุทธเจ้าเ็เพราะว่าเป็นเส้นกิเลสได้ด้วยพระ อ, องค์เองไม่ได้เรียนรู้มาจากใครถ้าเป็นผู้ หลังจากที่ได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วนําออกไปปฏิบัติแล้วก็สามารถบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้อาจจะไม่เรียกตัวเองว่าเป็นพระอาหารหันต์ตัสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเรียกตัวเองว่าเป็นพระอาหารหันตัสสาวกสาวกก็เป็นผู้ผู้ศึกษาผู้ร่ำเรียนภาษาบาลีท่านว่าส า, สาวกนี้แป ล, แป ล, แปลว่าผู้ฟังเป็นผู้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเมื่อได้ยินได้ฟังธรรมแล้วนําออกไปปฏิบัติ ก็สามารถทําให้จิตใจหลุดพ้นจากความทุกข์ได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสัตวแล้วพระองค์ได้ทําหน้าที่ของตนได้สมบูรณ์แล้วสร้างความสุขสร้างเจริญตั้งความสุขสร้งางความเจริญให้กับพระ อ, องค์เองได้ด้วยการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงแล้วพระองค์ก็ทรงใช้เวลาที่เหลือของชีวิตนี้มาเป็นคุณประโยชน์ให้แก่ สัตโลกด้วยการสั่งสอนธรรมะให้แก่สัตวโลกทุกวันพุทธกิจห้าของพระเจ้านี้มีสี่ข้อที่เกี่ยวกับการสั่งสอนธรรมะคือตอนบ่ายก็จะสั่งสอนสัทยาโยมตอนเท่ยงก็จะสั่งสอนพิจิตรพิจิตอนเด็กก็จะสั่งสอนเทวดาในยามเช้าก่อนที่จะเสด็จออกบินทบาย ก็จะส่งเรียงานดูว่าจะได้สั่งสอนใครเป็นกรณีพิเศษในวันนั้นคนที่กําลังพร้อมที่จะบรรลุธรรมแต่อาจจะต้องเสียชีวิตในระยะเวลา ใ, ใกล้เขาก็ส่งมุ่งไปที่บุคคล น, นั้นเป็นกรณีพิเศษไปแสดงธรรมโสดให้กับบุคคล น, นั้นเพื่อให้ได้บรรลุมากผลนิพพานก่อนที่จะสิ้นก่อนที่จะเสียชีวิตไป นีกิจพุทธกิจของพระพุทธเจ้าสี่ข้อนี้เกี่ยวกับการอบรมสั่งสอนธรรมะเผยแผ่ธรรมะส่วนอีกข้อนึงก็เกี่ยวกับการเลี้ยงดูร่างกายของพระองค์เองด้วยการบินสบายพุทธกิจห้ามีห้าข้อบินสบาย ต, ตอนเช้าออกบินสบายตอนบ่ายสั่งสอนญาติโยมตอนค่ำสั่งสอนภิกษุภิกษุณีตอนเดึกสั่งสอนเทวดา ตอนเช้าก่อนที่จะเสด็จออกบินธบัดทรงเล็งยานดูว่าจะไปโปรดใครเป็นกรณีพิเศษ<ม>นี่คือการทำหน้าที่ของพระเจ้าหลังจากที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้บรบบรลุมรรคผลนิพพานแล้วเวลาที่เหลือของชีวิตก็เอาใช้ให้กับการเผยแผ่สั่งสอนธรรมะให้กับผู้่จึงทำให้มีผู้ที่มีจิตศรัทธามีความเนื่อมใส มีความปรารถนาที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้มีโอกาสได้เรียนรู้ได้ปฏิบัติได้ได้บรรลุปเป็นพระอาหารหันต์เป็นกันเป็นจำนวนมากเลยจึงเป็นที่เกิดของพระพุทธศาสนามาจนถึงบัดนี้พระพุทธศาสนาของเรานี้อยู่มาได้ถึงสองพันห้าร้อยกว่าปีก็เพราะว่ามีพุทธศาสนิกชนที่รู้จากหน้าที่ของตน ปฏิบัติหน้าที่ของตนกันอย่างสม่ําเสมอมาทุกยุคทุกสมัยเริ่มต้นก็ศึกษาจากพระอรหันต์ศึกษาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ <S S S 1> ์ อ, องค์ใดองค์หนึ่งก็ได้ถ้าพระพุทธเจ้าไม่อยู่ก็ยังมีพระธรรมคําสอนและมีพระอรหันตรสาวกก็จะศึกษากับ พระธรรมคำสอนที่มีบันทึกเอาไว้จดจำกันเอาไว้หรือศึกษาจากพระอาหารต์ตสาวกเมื่อศึกษาแล้วก็นำมาไปปฏิบัติสามข้อด้วยกันละการกระทาบาปทั้งปวงสร้างบุญสร้างกุศลต่างๆให้ถึงพร้อมแล้วก็ทักพอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการเจริญส ม, มะถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนา พอได้ทําปฏิบัติอย่างจริงจังปฏิบัติอย่างเข้มขน้นปฏิบัติแบบดีสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะสามีจิปฏิปันโนผลก็ปรากฏตามลําดับขึ้นมามรซิผลสิเริ่มต้นที่โสดาปฏิผลตามด้วยสกิดาคามีผลอนาคามีผลอรหัตตผลตามลําดับจนถึงพระ น, นิพพานขั้นสูงสุด ท่านที่ไม่ต้องกลับมาเยือนว่นาตายเกิดอีกต่อไปท่านที่บรลมรูสุกจิตใจเต็มไปด้วยความสุขไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถแข่งกับความสุขที่ได้จากความสงบ ข, ของพระนิพพานนี้ได้ลถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงเมื่อตัเองมีความสุขตลอดเวลาแล้วก็ใช้เวลาที่เหลือของร่างกายนี้ไปในการช่วยเหลือสัตว์โลกให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ โดยการเอาธรรมะที่ได้รู้ได้จากการปฏิบัตินี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้กับผู้ที่ไม่รู้ต่อไปผู้ที่ไม่รู้เมื่อได้สั่งได้ศึกษาได้ปฏิบัติก็สามารถได้เรียนรู้ได้ได้ตัดได้บรรลุธรรมได้บรรลุมากผลนิพพานได้หลุดพ้นจากความทุกข์เมื่อได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วก็ทำหน้าที่ต่อไปสืบทอดกันมาอย่างนี้ไปจนถาทั่งถึงปัจจุบัน พราะพุทธศาสนาของพวกเราจึงมาอยู่ได้มาถึง 2,500 กว่าปีแล้วน่าจะอยู่ต่อไปได้เรื่อยๆถ้ า, าถ้าพวกเราชาวพุทธนี้ไม่ละเลยปล่อยประหน้าที่ของเราคือหน้าที่สี่ข้อที่พระพุทธเจ้าได้ส่งมอะหมายให้ด้วยการหยุดการทํางานอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งวันหนึ่งวันพระนี้เป็นเรียกว่าเป็นวันหยุดทํางานเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้อง เราจะได้มีเวลามาให้กับการศึกษามาให้กับการปฏิบัติเพื่อจะได้บรรลุมากผลนผิพพานตามลำดับต่อไปถ้ามีการทำหน้าที่อยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆพระพุทธศาสนาของพวกเรานี้ก็จะอยู่ต่อไปเป็นเวลายาวนานเพื่อให้ลูกหลานของเราที่ตามมาทีหลังจะได้มีที่พึ่งจะได้มีที่หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ดังนั้นเราเ ป, เป็นชาวพุทธ เราจรึงต้องทําหน้าที่ของเราให้ให้ครบถ้วนบริบูรณ์ให้ได้ mm hmm. เริ่มต้นจากการศึกษา mm hmm. วันพระวันนี้เป็นวันที่เราเอาเวลามาให้กับการศึกษาฟังเทศสังธรรมเรียนรู้วิธีดับความทุกข์วต้องดับอย่างไร mm hmm. ก็ดับด้วยการละการกระทําบาปทำทำบุญทํากุศลให้ถึงพร้อมสักความจิตใจให้สะอาดลอยสุดโดยการปฏิบัติจิตตภาวนา mm hmm. พเรารู้ว่าเราต้องทำสามข้อนี้เราก็มาทํากันในวันพระเราก็มาทําบุญทําทานรักษาศีลกันแล้วก็มารักษาศีลก็ละ ก, การกระทําบาปแล้วก็มานั่งสมาธิมาฟังเทศน์ธรรมให้เกิดปัญญาวิปัสนาเมื่อเราทําอย่างนี้อย่างสม่ําเสมอแล้วต่อไปความทุกข์ต่างๆที่มีในใจของเราก็จะค่อยๆหมดไปการกําลังของการปฏิบัติ ของเรานั่นเองถ้าปฏิบัติมากก็จะบรรลุมากผลนิพพานได้ได้เร็วถ้าปฏิบัติน้อยก็จะบรรลุมากผลนิพพานได้ช้าดังนั้นบางคนเมื่อได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้สัมผัสกับผลแล้วก็เกิดความอยากที่จะให้บรรลุมากผลนิพพานให้ได้อย่างรวดเร็วก็อาจจะสละการเป็ดคารวะเพื่อออกบวญ เพราะเมื่อได้เป็นนักบวชแล้วก็จะได้มีเวลาให้กับการปฏิบัติการศึกษาได้อย่างเต็มที่เมื่อได้ศึกษาปฏิบัติอย่างต่อนเนื่องอย่างเต็มที่การมารู้มากผลที่พานก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างง่ายดายและรวดรวดเร็วนี่ก็คือเรื่องของหน้าที่ของชาวพุทธที่เรามาทำกันในวันพระนี้ขอให้เรารู้ว่าวันพระนี้เป็นวันทาหน้าที่ของเราชาวพุทธคือมาศึกษามาปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุมรรคผลนี้ผ่านแล้วหลังจากนั้นเมื่อเราบรรลุแล้วเราก็จะได้เอาความรู้ที่ได้จากการปฏิบัตินี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นต่อไปเพื่อจะได้ทําให้ผู้อื่นได้หลุดพ้นเช่นเดียวกับที่เราได้หลุดพ้นและจะทําให้ศาสนานี้เป็นที่พึ่งของสา์โลกไปได้ต่อไปเป็นเวลาอันยาวนานนี่ก็คือเรื่องราวของหน้าที่ของชาวพุทธที่เอามาฝากท่านในวันนี้ ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติการแสดงธรรมไว้เพียงเท่านี้และในลําดับต่อไปเราก็จะมาทําหน้าที่ข้อที่สองข้อที่แรกข้อแรกเราก็ได้ทํากันแล้วคือได้ยินได้ฟังธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วว่าถ้าอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์เนี่เราต้องละบาปทําบุญแล้วก็มาซักพ่อจิตใจด้วยการนั่งสมาธิในการฟังธรรม อันนี้สิ่งที่เรายังไม่ได้ทำกันก็คือเรายังไม่ได้นั่งสมาธิกันวันนี้เราจะมานั่งสมาธิกันประมาณสักสามสินาทีโดยประมาณวิธีนั่งสมาธินี้ก็คือการทาใจให้นิ่งให้สงบสมาธิคือความสงบตั้งมั่นอยู่ในความนิ่งสงบตั้งมั่นของจิตจิตจะนิ่งสงบตั้งมั่นได้จิตจะต้องหยุดคิดให้ได้การที่จะทำให้จิตหยุดคิดได้จะต้องมีสติ ถูกจิตไว้กับอารมณ์ที่เรียกว่ากรรมฐานอารมณ์กรรมฐานก็มีอยู่สี่สิบชนิดด้วยกันแต่เวลาที่เราใช้คำ น, นี้เราจะใช้เพียงชนิดเดียวหรือสองชนิดสามชนิดแล้วแต่กรณีเช่นคำบริกรรมพุทโธนี้ก็เป็นอารมณ์ของกรรมฐานอย่างหนึ่งหรือการดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกก็เป็นการเป็นอารมณ์อย่างหนึ่งเป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งหรือการสวดมนต์ก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่ง ที่เราสามารถใช้ในการนั่งสมาธิเพื่อทำให้ใจนิ่งให้ใจสงบได้ถ้าเราชอบํำบริกรรมเราก็นั่งหลับตาแล้วก็บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆถ้าเราชอบดูลมหายใจเข้าออกเราก็ดูลมหายใจเข้าออกหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกลมจะเข้าออกแถวบริเวณปลายจมูกเนี่ยเราจะสัมผัสรับรู้ลมได้แถวบริเวณปลายปลายจมูก ก็ดูที่ตรงจุดนั้นจุดเดียวอย่าย้ายที่ถ้าดูลมก็อย่าย้ายที่อย่าตามลมเข้าอย่าตามลมออกให้เพียงแต่รู้ว่าลมเข้าลมออกก็พอรู้ว่ารู้ว่าลมอยาบหรือลมละเอียดก็พอลมสั้นหรือลมยาวแต่ไม่จาเป็นจะต้องไปควบคุมบังคับลมให้ให้สั้นหรือยาวให้อยากหรือละเอียดให้รู้เฉยๆหรืถ้ายังดูลมไม่ได้ยังพูดโธไม่ได้จิตยังคิดมากอยู่ก็ใช้การสวดมนต์ไปก่อน ก็ระงับความคิดต่างๆให้เบาบางลงไปก่อนจนกว่าจะสามารถกลับมาดูลมได้หรือกลับมาบริกรรมพุทโธได้ค่อยกลับค่อยเปลี่ยนกลับมาแต่พอมาดูลมริ้วบริกรรมพุทโธแล้วก็ไม่ควรจะเปลี่ยนอีกควรจะอยู่กับอารมณ์นั้นไปจังกว่าจิตจะรวมเข้าสู่ความสงบขณะที่นั่งเวลามีอะไรปรากฏขึ้นมาในใจก็อย่าไปสนใจมีเสียงเข้ามาก็ไม่ต้องสนใจ มีรูปภาพมีอะไรปรากฏขึ้นมาก็ไม่ต้องสนใจมีมีอารมณ์ต่างๆปรากฏขึ้นมาก็ไม่ต้องสนใจให้ผูกใจให้อยู่กับพุโทโธไปถ้าใช้พุโทโธหรือถ้าใช้ลมก็ผูกใจให้อยู่กับลมไปเพียงอย่างเดียวใจถึงจะนิ่งจะสงบได้ถ้าเปลี่ยนถ้าไปตามรู้เรื่องราวต่างๆที่เข้ามาในขณะที่นั่งสมาธิใจก็จะไม่มีวันสงบได้ ก็จะไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรจากการนั่งสมาธิเลยการนั่งสมาธิเพื่อให้ใจมีความสุขให้ใจนิ่งเมื่อใจนิ่งแล้วจะมีความสุขเป็นความสุขที่จะทําให้เรามีพลังมีกําลังที่จะต่อสู้กับการหาความอยากต่างๆ mm hmm. เวลาที่เราไปเจริญปัญญาต่อไปถ้าเราไม่มีสมาธิไม่มีความสุขจากการทําใจให้สงบเวลาเราไปเจริญปัญญาเพื่อต่อสู้กับความอยาก เราจะไม่มีกำลังสู้ความอยากได้ในเบื้องต้นนี้เราต้องการสร้างความสุขสร้างพลังให้กับใจเพื่อที่เวลาออกจากสมาธิมาแล้วเวลาไปพิจารณาทางปัญญาเ็ืง่งรับความอยากเราจะได้มีกำลังที่จะหยุดความอยากได้อ น, นี่คือวิธีนั่งสมาธิอย่าคิดอย่าไปสนใจกับอะไรให้อยู่กับพุโทโธถ้าใช้พุโทโธให้อยู่กับลมถ้าใช้ลม ถ้ายังใช้ลมใช้พุโทโธไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก่อนอันนี้คือวิธีนั่งที่เราจะมากระทำกันประมาณสัก 25-26 นาทีด้วยกันตอนนี้เวลาสาหรับการนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้วก่อนที่จะละกอดสังเกตดูว่าวันนี้นั่งแล้วสงบดีไหมถ้าสงบดีก็ให้จดจำวิธีนั่งของวันนี้ไว้ แล้าข่าวหน้าเวลามานั่งใหม่ถ้าทําวิธีนี้ก็จิตก็จะสงบบหมนวนนี้ได้ถ้ายังไม่สงบ ก, ก็แสดงว่าสติเรายังมีไม่มากพอพยายามฝึกสติในระหว่างวันให้มากขึ้นสามารถเจริญสติได้ทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับทาบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปหรือดูร่างกายไปว่ากําลังทําอะไรอยู่เท่านี้ต่อไปเราก็จะมีสติมากขึ้น แต่เวลานั่งสมาธิจิตก็จะสงบได้ง่ายขึ้นแล้วต่อไปนี้จะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสากลังเอวเมวะอิตทจินังเปตานาังอุปกาปิ อิจิตังปจิตังตุมหังเขปเมวะสวิจตุสัพเพพนตุสามกปาจันโทปนะระโสยธามะิโชติระโสยธาสัพพิติโวิวัจจันตุสัพพารคโขวินัสตุ มาเตภวตวันตรลายุสุขีกีขายุโกภวะอภิวาทนศีลิศานิจังอุทาปจายโนจัตตารุธรมวทาน์ทิอายุวันโอสุขังภาลั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 เฟซบุ๊กผูอาจารย์สุชาติ244ท่านทาง YouTube ้อาจารย์สุชาติ276ท่านทางยู u ูบดรวี55ท่านทางวิทยุออนไลน์5ท่านทาง c l ับ h ฮ u s ์5ท่านผู้รับฟังหน้ากุฏิ146ท่านรวมทั้งหมด731ท่านครับ ขา้านมมัสกรารพรอาจารย์เจ้าค่ะมีคำถามจากผู้รับฟังธรรมะกุติฝากถามเข้ามาว่าถ้ามีสิ่งมากระทบเช่นมีคนมาว่าเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์เกิดขึ้นค่ะไม่โตอตอบหยุดคำพูดได้แต่ยังไม่สามารถหยุดความรู้หลกเสียใจความรู้สึกเสียใจได้เราควรขัดเกลาตัวเองอย่างไรคะเพราะเรายังไม่ความอยาก อยาให้เขาพูดดีกับเราอย่ากให้เขาชมเราไม่อยากให้เขาด่าเราเราต้องแก้ตัวนี้ตัวความอยากของเราว่าเราไปหวังอะไรจากใครไม่ได้บางคนเขาก็าอยากจะชมเราก็มีบางคนก็อยากจะด่าเราก็มีหรือคนคนเดียวกันวันนี้ชมเราพรุ่งนี้อาจจะด่าเราก็ได้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้นแน่นอนเราต้องสอนใจว่าอย่าไปหวังอะไรจากใครยินดีทั้งสองอย่างด่าก็ได้ชมก็ได้ แล้วต่อไปเราจะไม่ทุกข์เราจะไม่เสียใจอย่าคุณหมออยากจะถามลองถามเลยจะถามหลวงพ่อเรื่องการทํางานของนามขันนะพ่อตัวที่เป็นตัวสังขารเนี่ยคือคือมันเหมือนกับเหมือนกับคอมพิวเตอร์ที่มันทํางานได้หลายวินโดว์ไหมฮะเหตุผลก็คือว่าสมมุติเวลาเราสวดมน์เราก็สวดมน์ก็ใช้สังขารสวดมน์แล้วก็มันก็ มันก็กระโดดอีกเรื่องหนึ่งทั้งทที่เราสวดมนต์อยู่อันนี้แปลว่ามันทํางานได้พร้อมกันไหมครหลวพ่อความจริงมันทาพร้อมกันไม่ได้แต่มันเร็วมากเนีไงทําให้รู้สิษว่ามันเป็นทำพร้อมกันสองงานแต่มันกลับไปกลับมาอ๋อเหมือนไฟฟ้ากระแสสลับใช่อย่างนั้นมันเร็วมากมันกลายเป็นกลายเป็นสองเรื่องที่วิ่งคู่ขนานกันไปเลยมันเป็นสองเรื่องสามเรื่องไปด้วยกันก็ได้สองเรื่องสามเรื่องวิ่งคู่ขนานไปเลยอ๋อถ้าเราฝึกสติให้มันอยู่กัเรื่องเดียวต่อไปมันก็จะอยู่กับเรื่องเดียว อันนั้นคือเอกขัตตาเอกขัตตาเาข้าฌานได้เข้าสมาธิได้ต่อไปมันก็จะอยู่กับเรื่องเดียวเรื่องเดียวได้อะ ม, มันก็อยู่กับเรื่องเดียวตอนนี้มันไม่มีสติมันก็เลย <Qu ang. S 2> fluctuate <ruct> เปลี่ยนไปเปลี่ยนสลับไปสลับมาทะเลได้อย่างนีซง้ซึ่งนั่นก็เป็นธรรมดาของของของบุตรชนที่ไม่ได้ฝึกของคนที่ไม่ได้ฝึกจที่ไม่ได้ฝึกถึงถึงทําให้ไม่สามารถที่จะพิจารณาได้เพราะมันจับเรื่องเดียวไม่ได้ใช่ไหมก็ เอคือถ้าใจไม่นื่งมันไม่มีกําลังที่จะสู้กับความอยากเ<ม>วลาพิจารณาด้วยปัญญาว่าความไม่สบายใจของเรานี้เกิดจากความอยากของเราถ้าไม่มีสมาธิใจเราจะไม่มีกําลังหยุดมันแต่ถ้าเรามีสมาธิเราหยุดมันได้พอเรารู้ว่าตัวนี้เป็นตัวที่ทําให้เราทุกข์เราก็หยุดความอยากหยุดความอยากได้<ม>แล้วก็ไม่กระโดดไม่กระโดดไปเรื่องอื่นที่ที่ที่เรา ที่เราไม่เกี่ยวข้องใช่ไหมฮะอย่างนั้มันจะอยู่ในเรื่องเดียวถ้ามันมีสมาธิแล้วมันจะอยู่ในเรื่องเดียวในที่หลวงพ่อเคยสอนเรื่องของสัญญาคือตัวเมมโมรี่เมมโมรีที่ที่อยู่หลวงพ่อบอกสัญญาพิปรายคือเมมโมรี่ที่มันที่มันเข้าใจผิดสมมติเข้าใจผิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของทนถาวรทีนี้พวกเมมโมรี่พวกนี้มันหมายความว่าเราไปดีลิทมันหลวงพ่อเวลาเราฝึกไปเรื่อยๆหรือว่ามันอยู่ตรงนั้นแต่ว่าเราใส่เซลล์ใส่เมมโมรีใหม่เข้าไป ก็ใส่ความรู้ใหม่เข้าไปแล้วความรู้ใหม่ที่เป็นความจริงมันก็จะลบล้างความรู้เก่าได้เช่นสมัยก่อนคนเราในโลกนี้ก็คิดว่าโลกนี้แบนใช่ไหมครับแต่ต่อมาวิทยาศาสตร์ก็ได้พิสูจน์แล้วว่าโลกไม่แบนโลกโกงอันนี้ความคิดว่าโลกแบนนี้มันก็จะหายไปเพราะว่ามันมันไม่เป็นความจริงความจริงคือมันกลง อันนี้ก็จะเป็นความความรู้ใหม่ไม่ใหม่ที่เข้าไปแทนที่ความรู้เก่าที่มันที่มันไม่ตรงกับความเป็นจริงห <bedeutet S 3> มายความว่าจิตจิตเราก็จะเชื่อที่เลือกเลือกที่จะเชื่อความรู้ใหม่แทนใช่สิ่งที่เป็นจริงเไม่มีใครชอบของปลอมเลยอ๋อครับใช่เมื่อก่อนเขาหลอกเราว่าเขาเป็นเศรษฐีเขามรู้ที่นึงว่าเขาเป็นคนโจนนี้เราก็ครับไม่ไม่เชื่อเขา ว, ว่าเขาเป็นเศรษฐีเพราะรู้ว่าเขาเป็นคนนโจร ก็คือมันก็ต้องมีขั้นตอนในการที่เราจะพิสูจน์ switch ความเชื่อใช่ไหมหนุ่มพ่อพิสูจน์พิสูจน์อ๋อต้องมีพิสูจน์ด้วยเช่นร่างกายเนี่ยเราก็คิดว่ามันจะอยู่ไปเรื่อยๆถ้าเราไม่คิดถึงความตายแต่ถ้าเราไปพิจารณาความตายไปดูคนตายบ่อยๆให้น่ากายนี่มันมันไม่เที่ยงนะมันต้องตาย อ, าอันนี้ก็คือการเปลี่ยนเป็นสัญญาเก่าคนที่ไม่ปฏิบัติธรรมจะมีสัญญาที่คิดว่าทุกอย่างเป็นของเที่ยงมิจัง สุ ข, ขังอานาตาตามความจริงทุกอย่างที่เราคิดว่าเป็นนิจจังสุ ข, ขังอานาตามันเป็นอนิจจังทุก ข, ขังอนาตาก็คือต้องมีที่หลวงพ่อบอกว่าต้องมีเป็นแค่ว่าปททดสอบใช่ไหมฮานุพ่อของจริงใช่ไหมฮ ะ, <น>ะของจริงไปดูคนแก่คนเจ็บคนตา ย, ยอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาอยู่ในวังมานานมีความสุขคิดว่าตัวเองนี่จะอยู่ไปอย่างนี้ไปตลอดพอวันหนึ่งออกไปเที่ยวข้างนอกวังไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายขึ้นมา ก็ตกใจต่อไปร่างกายนี่ก็ต้องเป็นเหมือนกัน อ, อ๋อทั้งท่านที่เห็นคนภายนอกก็ได้เหมือนกันก็ต้องเห็นคนภายนอกเราไม่เห็นตัวของเรามันของเรามันยังหนุ่มยังยังแน่นอยนดูไงมันก็ยังหนุ่มแน่นอยู่แต่ต อ, อย่างความตายอย่างความตายของพ่อป๋อต้องทดสอบกับตัวเองเช่นไปเจอที่ที่มันน่ากลัวใช่ที่มันเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเสี่ยงเป็นเสียงตายแล้ว เ, เกิดความกลัวขึ้นมาแล้วดูซิว่าเราสามารถใช้ปัญญาข้างอัพมันได้หรือเปล่า ถ้าพิจารณาว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรามันไม่เที่ยงเราห้ามมันไม่ได้มันจะต้องตายถ้าตอนนี้มันจะต้องตายก็ถ้ายอมตายปล่อยให้มันตายได้ความความทุกข์ก็จะหายไปความกลัวก็จะหายไปตอนนั้นมันเป็นปัญญาฉับพลันเพราว่ามันเป็นจิตได้สำลึกที่มันเปลี่ยนไปแล้วครับหลวงพ่อก็เป็นปัญญาภาวนามยปัญญาอ๋อคือคือมันฝังฝังลงไปแล้วมื่อไม่มันก็เกิดเหตุการณ์ที่ท้าทายเกิดเกิดตอนนี้ เกิดตอนนี้เราคุยกันเรื่องนี้มันยังไม่เป็นของจริง <shuttle> เพราะว่ามันไม่มีความทุกข์เนี่ยแต่ถ้าเราไปเจอความของจริงก็เจอความทุกข์ขึ้นมาแล้วเราต้องการจะดับความทุกข์เราก็ต้องใช้ปัญญานี้สอนใจให้เห็นว่าที่เราทุกข์เพาเราไปติดกับร่างกายไปคิดว่ามันเป็นตัวเราของเราแล้วก็ไปอยากให้มันไม่ตายอต่พอเราศึกษามาเราก็รู้ว่าร่างกายมันต้องตายมันไม่ใช่ตัวเราของเราถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ปล่อยมันตายไปอยอมให้มันตายไป มันต้องเป็นบบวิทยาเฉียบพลันใช่ไหรืหรอไม่ใช่ว่าต้องมานั่งพิจารณากันใหม่อีกรอบนึงไม่มันก็ต้องมันก็ต้องพิจารณาซ้ำมาก่อนไงครับก่อนจะไม่ซ้ำมาก่อนก็ไม่รู้จะพิจารณาอย่างไรไหมฮะตอนเจอตอนเจอของจริงหรอเป่าใน่ะๆๆก็ต้องซ้ำมาก่อนไงอ๋อ น, นั่งมวยอะนั่งมวยต้องซ้ำชกไว้ก่อนครับแล้วให้ขึ้นเวทีแล้วไปเจอของจริงทีอ๋อพอเจอของจริงเราถึงจะหนึ่งสองแล้วก็ อ, อัปคัดอย่างเงี้ยนะได้ะได้รู้วิธีสู้กับคู่ต่อสู้รู้วิธีสู้ตอนนี้ไม่พิจารณาไว้ก่อนพอเจจออขงงริ มันไม่จะทํำยังไงแล้วก็ผลรุ่ยเชที่มันออกมาว่าเราเราผ่านเนี่ยคือว่ามเพราะว่าความทุกข์ความทุกข์หายไปหายกลัวหายกลัวอืหายกลัวซึ่งซึ่งหายกลัวนี่มันไม่สามารถใจนิ่งสงบเย็นเหมือนเข้าฌานเนี่ยอ๋อโอเคใจนิ่งสงบสุขโขพระเจ้าบอกการละสังขารได้เป็นเป็นความสุขอย่างยิ่งเจสังโมประสโมสุโคงนั้นแหละอันนี้อันนี้คือคือจุดที่พูดถึงสังขารในใจนะบอก ทั้งทั้งสังขารในใจทั้งทั้งร่างกายมันมันเกี่ยวดองกันเกี่ยวดองกันคสังขารมันก็ปรุงแต่งเกี่ยวกับร่างกายภายนอกที่เราพูดนี่เราพูดถึงร่างกายที่เราไปยึดไติด <diverse. S 1> ตัวที่ไปยึดไปติดก็คือตัวสังขารภายใ น, นความคิดปรุงแต่งครับที่เกิดจากสัญญาที่ไปคิดว่ามันเป็นของจริงของของถาวรเปนของเรา <S <s แต่เราใช้ปัญญาแก้สัญ ญ, ญาของมันไม่ใช่มันเป็นของของชั่วคราวไม่ใช่ของเราอื มันจะต้องจากเราไปวันใดวันหนึ่งเพ<บ>ื่ออาจจะเป็นตอนนี้ก็ได้ถ้าเรายอมให้มันไปเราก็จะไม่ทุกข์ถ้าเราไม่ยอมให้มันไปเราก็จะทุกข์ทรามารเพราะฉะนั้นผลผลที่ออกมาก็คือเตสังบูปะสมโสุโคลตรง น, นั้นนะ่ะก็คืออันนี้คือความสงบระงับใช่แล้วก็เข้าเข้าเข้าไปในความ นิ่งเหรอครั น, นิ่งเหมือ น, นกับเป็ น, เ ป, นเป็นเข้าสมาธิไปแต่ออไม่ได้เข้าสมาธิไม่ไมต้องใช้ปัญญาเขาเรียปัญญาปัญญาให้จิตสงบไม่ใช่ไม่ต้องใช้สติครับถ้าใช้สติมันก็สงบแบบชั่วคราวครับแต่มันยังไม่หายกลัวอย่างถาววอนเดี๋ยวไปเจอปัญหาเดิมก็ทุกข์ขึ้นหม่ครับแต่ถ้าใช้ปัญญาแล้วมันจะไม่ทุกข์อีกต่อไปอันนี้คือน็อกได้แล้วเพราะนั้นอันนี้ปัญหานี้ต่อไปข้างหน้าก็ ก็ จ, จบไป จ, จบไปเร่งความตายเครกลัวมาตั้งแต่เกิดจนตายจนวันนี้ต่อไปหลังจากวันนั้นไปแล้วจะไม่กลัวจะไม่กลัวแล้วครับ <ๆ S 1> ครับครับสาธุครับกระจางครับมีคำถามจากอินบ็อกมาฝากถามมาครับว่า กราบพระอาจารย์ครับเวลานั่งสมาธิเมื่อจดจ่อกับลมหรือคำบริกรรมไปสักพักจะรู้สึกครึ่งหลับครึ่งตื่นเบาสบายแต่ก็ยังมีสติอยู่กับลมหรือคำบริกรรมครับอาการแบบนี้ผิดไหมครับและควรแก้ไขหรือปฏิบัติอย่างไรครับกราบพระอาจารย์ครับก็มันก็มันแบบสติค่อยๆอ่อนลงไปด้วยจิตระงับความคิดด้วยแต่ ทำรู้สึกว่ามันใจหลับมันก็มีมากขึ้นเพราะกำลังสติมันน้อยลงแทนต้องพยายามฝึกสติให้มากกว่า น, นี้ก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิพอเวลาใจมันไม่พอใจมันไม่คิดอะไรแล้วมันก็จะไม่หลับไม่ไม่เคลิ้มแต่ถ้าสติมันมันไม่ค่อยมีมากพอพอถึงจุดนั้นมันก็จะเคลิ้มหลับได้สครัจากย t u ู e พระจ การกาบอุปสมภัชครับอาจารย์กระผมขอวิธีการเป็นผู้สันโดษโดยง่ายครับผมขอบพระคุณครับคําว่าสันโดษแปลว่ายินดีตามมีตามเกิดอะไรก็ได้ไ้สั่งก๋วยเตี๋ยวแล้วเขาให้เข้าผัดมาก็ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องไปโกรธไม่ต้องเสียใจหรือขี้เกียจสั่งก็ไปที่ร้านแล้วอนุจารอาหารมาให้สองสามจานก็ได้ยินดีตามตามีตามเกิดไม่ต้องไปจูจ้จี้จุกจิกคาว่าสันโดษนะครับว่าอย่างนั้น เจ้าค่ะจากเฟซบุ๊กเจ้าค่ะกราบเรียนถามค่ะเวลานั่งสมาธิมีอาการปวดเราจะพิจารณาอย่างไรเจ้าค่ะก็ใช้สติไปก่อนคือใช้คำอุปกรณพุทโธพุทโธอยู่กับพุทโธไปอย่าไปคิดถึงความเจ็บถ้าไม่คิดถึงความเจ็บได้ความความทุกข์ใจจะไม่เกิดแต่ถ้าไปคิดถึงความเจ็บแล้วอยากให้ความเจ็บาหายไปมันจะสร้างความทุกข์ใจขึ้นมา ที่รุนแรงนี่กับความเจ็บของร่างกายที่ทนไม่ได้ไม่ใช่ความเจ็บของร่างกายแต่ความทุกข์ของใจที่เกิดจากความอยากให้ความเจ็บหายไปเพราะเราต้องอย่าให้จิตไปคิดถึงความเจ็บเมื่อมันคิดถึงความเจ็บมันก็จะไม่มีความอยากให้ความเจ็บหายไปความทุกข์ทรมานก็จะไม่เกิดก็จะสามารถนั่งอยู่กับความเจ็บได้สกาจาก u ูทู คิดว่าตัวเรียนและฟังมากก็ไม่น้อยหมันพิจารณาว่ากายนี้ไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่พอถึงคราวคุณปู่เสียไปยังร้องไห้คิดถึงอยู่ทุกวันแบบนี้เรียกว่ายังไม่เข้าใจไตรลักษณ์ใช่ไหมคะเข้าใจแต่หยุดความคิดไม่ได้เพราะสติยังมีกําลังน้อยถ้ามีสติมากก็จะคิดถึงความคิดถึงเหงืวุ่ปู่ก็เย็นมันยืนมันได้ แต่ถ้าไม่มีสติพร้อมพอคิดแล้วก็คิดเรื่อยไปแล้วกใจกวามเศร้าโศกเสียใจตามมาเป็นต้องพยายามฝึกสตินั่งสมาธิถ้ามีสติมีสมาธิพอจะคิดถึงเรื่องอะไรก็ตัดมันได้ตัดมันได้ เจ้าค่ะจากยูทูปอาจารย์ขอเรียนถามเจ้าค่ะมีสามสามข้อข้อที่หนึ่งถ้าตายขณะที่ทําความสะอาดจะได้ไปในที่สะอาดใช่ไหมคะไม่หรอกอยู่ที่บุญที่บาปแล้วที่เราได้ทําให้ในใจเราว่าฝ่ายไหนมีกําลังมากกว่ากันถ้าบาปมีกําลังมากกว่าก็ไปไปไปที่สโปร ะ, ปะถ้าบุญมากกว่า บ, บาปก็จะไปที่สะอาดอยู่ไปสวรรค์ ค่ะคำถามข้อสองก็คือข้อหนึ่งถามว่าถ้าตายไปในขณะที่ทําอาหารจะได้ไปในที่ไม่อดอยากใช่ไหมคะไม่เกี่ยวกันหรอกงั้นคนที่ทำาอาหารก็ตายด้ยไม่หรอกอยู่ที่บุญที่บาปที่เราทำที่สะสมเมื่อในใจของเราถ้าบัญชีบุญมากกว่าบัญชีบาปก็ไปสบาย <c oughs> ถ้าบัญชีบาปมากกว่าบุญก็ไปลําบากไปทุกอย่ากลำบาก ถ้าตายไปในขณะที่ทำสมาธิจะได้ไปสู่สุคติใช่ไหมคะก็อยู่ที่บุญที่บาปที่ที่เราได้สะสมไว้ด้วยถ้าบาปยังมากกว่าถึงแม้จะตายอย่างสงบแต่บาปมันก็จะดึงไปไปอาบายได้แต่ส่วนใหญ่มักจะไม่เป็นอย่างนั้นถ้าสามารถทำสมาธิตอนตายได้ก็สแสดงว่าเราก็มีบุญมากกว่าบาปถึงจะทาได้ ถ้ามีบาปมากกรบบุญจนทําสมาธิไม่ได้ใจมันจะเครียดใจมันจะคิดแต่เรื่องไม่ดีต่างๆค่ะจากทางเ b o บุ๊จ้าค่ะกราบธ ร, รรมสการพระอาจารเจ้าค่ะการที่สัตว์ในรชาญไม่สามารถบรรลุทำได้เพราะเขาไม่มีปัญญายอมเข้าใจถูกต้องไหมคะเขาไม่มีภาษาที่จะเข้าใจเขาฟังภาษามนุษย์ไม่ได้ เขาจะย่าเป็นมนุษย์แล้วก็มันก็อาจจะอยู่ที่ ส, สถานภาพของเขาก็ได้จิตของเขามันอยู่ในสติปัญญาระดับต่าไม่สามารถที่จะเรียนรู้ธรรมะได้ลึกซึ้งถึงแม้พุทธเจ้าจะใช้ภาษาใจคุยกับมันก็ได้แต่มันก็ไม่เข้าใจเจค่ะาจากเฟซบุ๊กเ้าค่ะถ้าทำสมถธาสมาธิ หนูถนัดบริกรรพุทโธ ท, ที่หน้าผากโดยไม่สนใจในลมหายใจแต่มีคนบอกให้ดูที่ลมหายใจและวางใจที่กลางอกแต่พอดูลมหายใจแล้ววางที่กลางอกแล้วทำไม่ได้แล้วอย่างนี้สามารถบริการพุทโธพร้อมดูลมหายใจได้ไหมคะหรือพุทโธอย่างเดียวที่หน้าผากแบบเดิมคะพุทโธอย่างเดียวค่ั ไม่ต้องใช้สองอย่างลมอย่างเดียวก็ได้พุทโธอย่างเดียวก็ได้หรือบางคนจะใช้พุทโธกับลมก็ได้ <entendeu? S 1> แล้วแต่แต่ไม่ไมจําเป็นได้จะต้องต้องเหมือนกันทุกคนบางคนใช้พุทโธอย่างเดียวได้ก็ใช้พ <places S 1> ุทโธอย่างเดียวแล้วเวลาใช้พุทโธไม่ต้องมาอยู่ที่หน้าผากก็ได้มันอยู่ในใจให้มีพุทโธอยู่ในใจเราให้รู้ให้เรารู้อยู่ตลอดเวลาว่าเรากําลังพุทโธอยู่ไม่ต้องส่งไปที่หน้าผากก็ได้ ข่าวจากทางเฟซบุ๊กรอบเรียนถามพระอาจารย์เหตุใดคนทุกคนที่รู้อยู่ว่าตัวเองต้องตายแ ต, ต่ใดพวกเขาเหล่านั้นยังใช้ชีวิตเหมือนจะไม่ตายแล้วยังสนุกสนานอยู่เหมือนลืมว่าต้องตายครับเขาลืมตายไงเขาไม่คิดบ่อยๆเขาพยายามพยายามลืมเพราะเขาพอคิดถึงความตายแล้วทําให้เขาไม่สบายใจเขาก็เลยพยายามปฏิเสธความตาย แต่กระทั่งมันกลายเป็นเหมือนกับว่าลืมเรื่องความตายไปพอเวลาเห็นคนตายแต่ครั้งนึงถึงตกใจกันเนี่ยเพราะว่าอแต่ถ้าคนที่คอยระลึกถึงความตายทุกวันทุกวันทุกวันนี้จะเห็นว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาเวลาเห็นคนตายก็จะรู้สึกเฉยๆเพราะว่ารู้ว่าต้องตายแล้วเตรียมตัวเตรีตตตยมใจแล้วกวับความตายไว้แล้ว เสาค่ะจากเฟซบุ๊กเจ้าค่ะน้องกระดพระอาจารย์ค่ะโยมีบุตรชายเรียนมหาวิทยาลัยเขาบอกว่าเขาจะลาออกจากมหาวิทยาลัยเขาจะไปบวชจึงไม่จําเป็นต้องเรียนต่อให้จบเพราะเขาจะไม่ได้ใช้ประโยชน์จากใบปริญญาเขาไม่อยากรวยแล้วเพราะเป้าหมายเขาคือการได้เป็นพระอาริยบุคคล โยมจึงบอกว่าแม่ขอให้ทำหน้าที่เรียนให้จบก่อนถ้าเรียนจบแล้วจะไปบวชแม่ก็อนุโมทนาบุญด้วยไม่ขัดข้องแต่เขาก็ยืนยันจะลาออกและในวันที่8เมษายน2569นี้เขาต้องมารายงานตัวในการผ่อนผันกินอาหารเขาบอกว่าจะไม่ผ่อนผันแล้วจะขอจับใบดำใบแดงเลยโยมต้องขอร้องเขาในเรื่องนี้หลายครั้งแล้วโดยบอกเขาไปว่าเรามีสิทธิผ่อนผัน ็ขหอให้ใช้สิทธิ์ตรงนี้ไปก่อนยังไม่ต้องไปจับฉลากถ้าอยากฝึกปฏิบัติก็ให้เรียนมหาวิทยาลัยควบคู่กันไปกับการปฏิบัติทำด้วยเป็นการฝึกความอดทนและความเพียรของเราถ้าไปจับแล้วได้ใบแดงก็ต้องไปเป็นอาหารสองปีกว่าเขาจึงควรใช้สิทธิ์ผ่อนผันแล้วไปทำหน้าที่เรียนต่ออีกสองปีกว่าจะให้จบเขาก็จะยังยืนยันที่จะ จับฉลากเขาบอกว่าถ้าได้ใบแดงเขาก็ยอมรับความเสี่ยงที่จะต้องไปเปน็นนาหารได้แต่ถ้าได้ใบดําเขาก็จะไปบวชเร็วขึ้นเขาบอกโยมไม่ต้องมายึดให้มีอุเบกขากลับของความเมตตาพระอาจารย์แนะนําบุตรชายและแม่ในเรื่องนี้ด้วยค่ะสาธุเราก็ทําหน้าที่ของแม่แล้วเราก็บอกเขาแล้วสอนเขาแล้วแต่ถ้าเขาปฏิเสธเขาต้องการไปตามทางของเขาเราก็ห้ามเขาไม่ได้ แราก็ต้องทำตามที่เขาบอกแล้วราต้องทำใจให้เป็นอุเรกขาถือว่าเป็นบุญเป็นกรรมของเขาไปัสวค่ะจากทางยูทูปพระอาจารย์อธิษฐานขอเข้าพระนิพพานในชาติปจจุบันมีผลต่อการประกอบอาชีพปัจจุบันใหม่คะเพราะตอนนี้โยมหางเงินยากมากเหมือนโดนขัดขวางทุกอย่างค่ะอธิษฐานนี้ขออะไรไม่ได้หรอ อยากจะได้เลยต้องทำเพื่จะได้ในสิ่งที่เราอยากได้ขอไม่ได้แล้วการขอนี่ก็ไม่ได้ไปทำให้เกิดอุปสรรคทำให้ทํามตากิจไม่ไม่ดีไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เกี่ยวกันนรื uh huh. ่การทําุตากิรมเป็นเรื่องของเศรษฐกิจมีขึ้นมีลงมียากมีง่ายมันเป็นอนิจจ uh ังไม่แน่นอนกัอย่าไปะยงเรื่องนุ้นเรื่องนี้เข้ามาหากนร uh huh. การปรัฒนานิพพานนี่เป็นสิ่งที่ดี uh huh. แต่จะขอให้ปริพญานี้มันขอไม่ได้ ต้งบวชต้องปฏิบัติธรรมถึงจะไปนิพพานได้ส่วนการปรารถนานิพพานนี้จะทําให้เราทําหากินยากลําบากไม่เกี่ยวกันขอเรเรื่องกันยังไม่มีคําถามเข้ามาสักค่ะโอเคไม่มีคําถามเราเท่านี้ก่อนเวลาใกล้จะหมดพอดีก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจิตรเจรณาไปปฏิบัติ